เป็นพนท่านผู้บริหารพนัก ง, งานในเครือซีพีแล้วก็ผู้สนใจธรรมะ ท, ทุกท่านประเด็นที่อัตลัภาพจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องผ่าตัดความเครียดมีใครเครียดไหมในห้อง เป็นเป็นหายหายเป็นพักๆนะนนนอ่าเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ไม่เครียดครึงอกครึงจะใ้วันนี้เครียดสักวันหนึ่งธรรมชาพไม่ค่อยเครียดนะโดยส่วนตัวลูกศิษยลูกหาจะเรียกว่าเป็นแฮปปี้บุตดามีคนทักผิดเรื่องอายุประจอไหมเพราะอะไร ไปที่ไหนก็ตามมีคนตกใจมากว่าตามมาเป็นสรมเนินมีอยู่งานหนึ่งตัมมาภาพไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรพระหญิงคุณหญิงคอนทิปก็ไปไปทำไมคุณหมอบอกว่าที่รับไปพูดเพราะว่าอยากเห็นตัวจริงคนเขียนธรรมะติดเปล่งเพราะว่าอ่านในหนังสือแล้วข้างในอายุไว้ว่าน่าจะสี่สิบขึ้น พอไปเจอกันในงานคุณหมอบอกว่านี่ท่านน่ะรุ่นลูกหมอเลยนะจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจิตใจนะคือถ้าเราสามารถบริหารความเครียดได้นะในใจมีความสุขแล้วมันมันส่งผลถึงกายก็คือว่าถ้าใจมันสุะกายมันใสอัลมานีไ่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้พวกใ ด, ดครีมไลท์ครีมเย ก็ได้ใช้เล่ใชใช่ไหมใชบ้างตอนไปอเมริกาจะมาหน้าแตกคะหน้าแตกไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ใช้ครีมอแต่ภาษาอังกฤษไม่ดีแต่ว่าไปไปต่างประเทศเนี่ยต้องใช้เพราะอะไรแดดเมืองนอกกับแดดเมืองไทยมันต่างกันเมืองไทยแดดมันลงไม่ถึงคนแล้วนะเพราะอะไรมาถึงปุ๊บมันเจอฝุนแนะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแดดเนี่ยไม่ได้แยมคนไทยแล้วจะเจอฝุ่นเจอผงเจออะไรแล้วหน้าคนไทยเนี่ยมันไม่ต้องรอให้แดดส่องแล้วมันถึงจะดำนะเพราะอะไรลําพังควันรถในกันหนักนะใช่ไหมแต่เวลาเราไปตางประเทศที่มันหนาวเนี่ยมันหนาวจริงๆขนาดจอดรถทิ้งไว้เน่ยตื่นเช้ามาดูเป็นน้ ng, ําแข็งไปทั้งคัน่ะอัตามาก็าคิดว่ามันจะซักแค่ไหนกันเชียวเขาก็โยมก็นิมนต์ไปเที่ยที่อเมริกา ก็เตรียมแต่อัางสาอุ่นของท่าไปตัวเดียวพอเดินลงจากเครื่องบินเท่านั้นลมมันพัดพิ้วหนึ่ลอดจีวรเข้ามานะสะดุ้งยงเลยนะไปถึงที่นอดโยมพาไปแหวแห้งกันท่านซื้อเสื้อผ้าก่อนไม่งั้นท่านจะเทศไม่ได้มันเป็นความจริงนะพ่ออะไรคือเวลาหนาวเนี่ยหนาวจริงๆขนาดลมเข้ปัญญาณนนท่าไปนะโยมก็ต้องจัดเสื้อผ้า ที่อุ่นๆใส่ข้างในเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยอ้วนย่งกับโดเรมอนอดามาเนี่ยไม่มีรูปสวยๆเลยนะไปแที่เดมเิกากลับมาเนี่ยรูปไหนก็อ้วนหมดเลยเต้องใส่สามสี่ชั้นแล้วหมจีวรทับมีวันหนึ่งเนี่ยโยมเขาซื้อซื้ อ, อครีมที่ทาทาตรงเนี้ยริมฝีปากมาออตมาก็ทาไปทำไม่เป็นพระไม่ใส่ครับพอไปแล้วเขาเดินไปเดินไปสักพักเน่ มันมันสกัสกสักครับเดี๋ยวรู้สึกหยาบยาไปหมดเลยเอามือลูบดู้วนี่เป็นริ้วเป็นริ้วเลยนะเพราะฉะนั้นในในธรรกลางธรรมชาติอย่างนั้นเนะี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าความโหดร้ายของธรรมชาติมันเล่นงานเราได้ที่ไหนที่กายนะแต่ถ้าใจของเราดีมันดีไหมมันดีตลอดแต่ถ้าข้างนอกเราใส่เสื้อโค้ยังดีอบอุน่นแต่ถ้าใจมันเครียดไปเที่ยวสนุกไหม รับรองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดูแลใจให้ดีแล้วความเครียดมันเข้าไม่ถึงเนื้อไม่ถึงตัวอาตมาพาไปบรรยายที่นิวยอร์กโยมคนหนึ่งขับรถไปรับก่อนที่จะส่งอตาตมาขับขึ้นเครื่องบินคนโยมประนมมือบอกว่าโชคดีของพวกโยมเยอเกินที่ได้ท่านเป็นที่พึ่งทางใจอตาตมาได้ยินแล้วมันสแสเนงหู่มันหวานไปจึงบอกว่า โยมถ้าจตมาเป็นที่พึ่งทางใจนะ่ะโยมจะต้องเสียค่าเครื่องบินทุกปีนะต้องมาเทสทุกปีนะทาไมโยมไม่ฝึกใจให้มันได้พึ่งใจที่ฝึกจนได้พึ่งมันสำคัญกว่าที่พึ่งทางใจใช่ไหมเพราะถ้าเราใช้บริการของที่พึ่งทางใจวันไหนครูบาอาจารย์ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ไม่มาทุกไหมทุกนะ ครูบาอาจารย์ถูกจับรวยแบงทุกอ่ะทุบเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปยึดอยู่กับที่พึ่งกงใจทําไมไม่ฝึกใจให้มันได้ที่พึ่งใจที่ฝึกจนได้พึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็สุขครูบาอาจารย์มรณภาพไปก็สุขครูบาอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปราศิขาเราก็ไม่เป็นโรคอกหักทางวิน ญ, ญาณใช่ไหมฉะนั้นคนที่ฝึกใจแล้วเนี่ยรับรอง โรคทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเก่าๆโรคโบราณอย่างโรคปวดหัวอย่างเงี้ยหรือโรคคนมีเงินอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือโรคของนักเงินเมืองโรคเครียดโรคถูกหนังสือพิมพ์วิจารณ์ทุกวันนแล้วไปทานข้าวที่ไหนมันก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ย วายขวนละแสนก็จืดเดีกันน้งฝนเพราะอะไรมันถูกวิจารณ์ทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราฝึกใจให้ดีแล้วเนะี่ยความเครียดเล่นงานไม่ได้ใจที่ฝึกจนดีแล้วเนะี่ยอยู่มืองไทยก็มีความสุขไปอยู่เมืองนอกก็มีความสุขแต่ใจที่ไม่ได้ฝึกนนะอยู่เมืองไทยหองมันเครียดเป็นบ้าเลยบินไปพักเมืองนอกไปนั่งอยู่สวนสาธารนณะดอกไม้สวยพริ้ง ทุกเหมือนอยู่เมืองไทยเลยเพราะอะไรตัวเครียดมันอยู่ข้างในเรานั่งเครื่องบินไปมันก็บินไปกับเราด้วยมันไม่ได้เสียค่าเครื่องบินด้วยนะไปกับเราทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นตัวปัญหาจริงๆของโรคเครียดคือตัวใจใจที่ไม่ได้ฝึกนี่สําคัญที่สดุดนอกนั้นมันก็จะมีเหตุปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้เราเครียดมีเยอะแยะเลย ถ้าเราเป็นชาวพุทธเมื่อเราเดินเข้าบสถสังเกตไหมว่าพระประธานของทุกวัดยิ้มทุกวัดนะคุณโยมก็เห็นไหมพระประธานวัดไหนที่ยอมเข้าไปแล้วหน้าบอกวุ่นไม่รับตาขวางไม่มีหรอกใช่ไหมพระประธานท่านยิม้มยิ้มยังมีความสุขนะไม่เหมือนพวกเรายิ้มกับจริงอันแต่ยิม้มแต่มันสายะยิม้มบางทีก็ยิ้มหยันบางทีก็ยิมยย้มเยอะ ถ้าเป็นนางแบบเขาเรียกว่ายิ้มยั่วเห็นไหมนี่มันยิ้มขาดสติทั้งหมดน่ะยิ้มพอดีพอดีอย่างพระประธานนั่นยิม้มนั่นแหละคือคนที่ไม่เครียดเพราะฉะนั้นฟังดีๆแล้วเราไม่เครียดแต่ถ้ามาฟังธรรมะแล้วเครียดเนี่ยอาตมาคิดว่ามีปัญหานะเคยมีโยมคนหนึ่งไปปรึกษาหลวงพ่อทุกข์มากเลยทะเลาะ ก, กับสามีมาปรึกษาอยู่หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วหลวงพ่อจะว่ายังไง หลวงพ่อก็บอกว่าธารมาก็ทะเลาะ ก, กับหลวงพ่อเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อจเจ้าว่าจะให้ออกอยู่เนี่ยไปไปมามาก็ทุกข์ทั้งคู่แต่แม่เพราะฉะนั้นเวลาเรามีความเครียดเราต้องหาที่ปรึกษาที่ดีถ้าไปเจอที่ปรึกษาที่ไม่ดีตัวที่ปรึกษานั่นเลยจะเครียดแทนอย่โยมเครียดอยู่แล้วไปหาหลวงพ่อโยมอัดอยู่หนึ่งชั่วโมงโยมเดินลงบันไดกุฏิเสร็จแล้วหลวงพ่อเม็ดเลือดขึ้นนะ น้ำตาลขึ้นเเครียดแทนโย่เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะไปสอนคนอื่นไม่เครียดมันต้องไม่เครียดเองก่อนอาตมาเนี่พิสูจน์แล้วว่าความเครียดมันลดอายุได้ถ้าไม่ติดไปเป็นท้าเนี่ต้องได้โฆษณาขายพร <laughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมที่เราใช้แล้วก็พิสูจน์ได้ในชีวิตจริงว่าการที่เราบริหารกายบริหารใจให้ไม่เครียดเนี่ย มันมีความสุขทุกวันมีความสุขต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะสลายความเครียดแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีจะมาคิดว่าเราน่าจะมาดูสาเหตุก่อนนะสาเหตุของมันคืออะไรสาเหตุของการที่คนเราเครียดเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะมานีเพราะวิจัยดูนี่มันน่าจะมาจากการที่เราได้ทำงานที่มันไม่สมดุลกับความสามารถทำงานที่ไม่สมดุลกับความสามารถ เช่นเรายกน้ะหนังได้ร้อยปอน่ะแต่เขาบาังคับให้เรายกร้อยี่สิบปอนอย่างเงี้ยแขนหักไหมแขนหักไม่ได้ดาราบางคนที่จะมารู้จักเขาไม่เคยแสดงบทเลิฟซีนผู้กำกับส่งบทให้เขาเขาฝึกอยู่หนึ่งอาทิตย์ก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งฝึกยิ่งเครียดสุดท้ายก็เป็นนอนโรงพยาบาลพอไปแสดงจริงๆอ่ะเขาให้แค่ให้พระเองหอมหน้ำผักนิดเดียวหนึ่งวินาทีเท่านั้นเอง เธอบอกอาตมาว่ารู้เงี้ยหนูไม่ไปนอนโรงพยาบาลหรอกเสียค่าเครียดล่วงหน้าไปคืนละแปดพันอะไปนอนอยู่ห้าคืนนี่เสียค่าเครียดล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะความสามารถกับงานที่ได้รับมอบหมายมันไม่สมดุลกันมนุษย์ที่เครียดเป็นเพราะอย่างนี้เคยมีคนไปที่วัดไปหาอาตมาสองสามีพภรรยานัดกับอาตามาเสร็จแล้วก็อยากจะไปเยี่ยม พอไปถึงคุยกันอยู่หนึ่งชั่วโมงสนุกสนุกมากเลยพรนรยาก็ประนมมือกราบอาตมาบอกว่าท่านถ้ายมรู้ว่าท่านอารมณ์ดีขนาดนี้นะเมื่อวานโยมจะนอนแต่หัวค่ำเลยอาตมาถามว่าแล้วทำไมโยมไม่นอนก็เมื่อคืนนะ่ะโยมฝึกพูดสับธรรมะอยู่จนถึงตีหนึ่งกลัวมกมาคุยกับอาตมาแล้วจะทำอะไรไม่ถูก อาตมาถามโยมฝึกอะไรโยมก็ฝึกว่านมันส ก, การพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนจะกลับโยมฝึกว่ายังไงโยมเพิบอกว่าควรไม่ควรแล้วแต่หลวงพ่อจะโปรดเพราะไม่เจอตัวจริงง่ายจะตายไม่มีอะไรอาตมาบอกโอ้อาตมาไม่ใจเจ้านะโยมจะคุยก็คุยสิเป็นอะไรคือกลัวว่าไปคุยกับพระแล้วมันจะผิด่ยใช่ไหม แต่ยมก็ผิดจริงๆนะคุยไปคุยมาก็อตาตมาว่าอย่างนั้นอะตามาว่าอย่างนี้อตาตมาก็เลยเตือนยมด้วยการบอกว่าโยมก็เหมือนกันยังไม่รู้จุกตัวอยองนียังอตาตมาอยู่เราก็บอกเนี่ยเมื่อคืนนั้นยมก็ทํางานจนดึกเหมือนกันแต่สุดท้ายก็น่ารักมากทุกวันนี้ก็เป็นญาติไปยมสนิทสนมกันไป เราถือว่าการพูดผิดพูดถูกมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรอกเพราะอะไรเจตนาของเราไม่ได้ลบหลู่ถูกต้องไหมเราไม่มีเจตนาที่จะไปลบหลู่พระสงฆ์องค์พระเจ้าพูดผิดพูดถูกก็พูดหมายเท่านั้นเองหน้เปิดขาอะไรกับคนเพื่อไปขนาดนายทหารด่าชจงครักษ์ไปทํางานถวายพระเจ้าอยู่หัววันหนึ่งมีนายตำรวจท่านหนึ่งไปรายงานผ่านก่อนจะทํางานต้องผ่านนิธีเบิกเฝ้า เบิกเฝ้าก e ็หมายความอะไรายงานตัวนั่นเองนาตำรวจยในายพันคนหนึ่งไปรายงานก็ขอเดชะภาพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกภูมิพลกว่าเขาไปจนจบมาเนอจบแล้วโลงท่านก็บอกว่าเออเดีคนชื่อเหมือนกันกลับออกมาเจ้านายถามว่าเมื่อกี้อ่ะกลับบังคมทูลอะไรไปรู้ตัวไหม ก็ยังไม่รู้ตัวเห็นไหยพอมารู้ตัวพี่แกเครียดย้อนหลังเลยนี่ความเครียดมันเกิดจากอะไรได้ทํางานที่มันไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของเราคนทั่วไปก็จะเจอในช่วงชีวิตหนึ่งจะเป็นอย่างนี้มีนักข่าวคนหนึ่งไปสัมภาษณ์อาตมาเขาเตรียมไว้อย่างดีเลยนะตั้งแต่เสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมบทที่จะพูด แต่ในชีวิตยังไม่เคยสัมผัสพระพอไปถึงปุ๊บประโยคแรกก็คือนมัสการคุณพระน้ำมาเขาบอกพยมเอาสัอย่างหนึ่งจะเอาคุณก็คุณพระก็พระทั้งคุณทั้งพระนี่มันตอบลำบากก็สุดท้ายสิบเท็คฮะเธอบอกว่าหนูเคยแต่สัมภาษณ์ดาราในชีวิตเธอเพิ่งเคยสัมภผัสพระก็ครั้งเนี้ แต่หลังจากครั้งนั้นแล้วก็ผ่านฉลุยทีนี้ก็สนุกเลยดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดในทุกองคการนะง่ายที่สุดเลยคือมันได้ทํางานที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถถ้าเราทํางานที่สอดคล้องกับความสามารถแล้วจะเครียดไหมไม่เครียด อ, อย่างอามาภาพเนี่ยไม่เครียดเพราะอะไรโยมนี่มือนไ์ประเทศสูงสุดในประเทศใน พระบรมาราชาชวบงในวัดเประแก้วไม่เครียดนะตามสุดไประเทศ ไ, ไหนคนถูกรโชนที่ได้ทางด่วนนี่มนไปเชิญวิญญาณดูสิเขานึกว่าเป็นพระแล้วต้องทำให้ทุกอย่างนะชนพระเปรี้ยแก้วไปไ ป, ไปเชิญวิญญาณผีญาติโ <laughs> ย, ยมทุกข์เราก็ไปอาตมาก็ไป แต่นี่สายเราก็คือทุกครั้งจะก่อนจะรับสังฆทานต้องเทศรถมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างหลังนั้นอาตมาก็เทศตรงนั้นเจ้าของเจ้าของไม่ใช่เจ้าของสิญาติของคนตายใช่ไหมเขาก็นั่งฟังเทศอยู่ข้างทางด่วนนะรถก็วิ่งปึ้งปึงปึงป้งปึง้งอาตมาก็เทศก็บอกเขาไปว่าโยมญาติโยมมาก็ไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วทําไมอาท่าน เนี่ยต่มายังไม่อยู่เลยเพราะว่ารถเนี่ยมันเชียวมาตายแถานี้ตรงรีบไปเกิดขนาดแกกร้องให้มาสามวันกกยังขำเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นพระเนี่ยถ้าฝึกตัวเองจนมีความรู้มีความสามารถแล้วทำงานใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เครียดแต่ถ้าไม่ฝึกตัวเองให้มันมีความรู้ความสามารถไปสอนเด็กอนุบาลยังเครียดเลย เพืนอันตราม่าเป็นปา ร, รีนเก้าเป็นสอนเด็กชั้นป .1 กลับมาเครียดเลยมือไก่หน้าผากเลยปรารีนเก้านี่ไม่ใช่ไม่รู้ธรรมะนะธรรมะนี่รู้จนมันล้นอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงให้เด็กป .1 มันฟังนี่คือปัญหาคนมีความรู้เนี่ยไปคุยกับคนมีความรู้ด้วยกันสนุกไปคุยกับคนที่ไม่ค่อยรู้ก็สนุกแต่ไปคุยกับคนที่ไม่ฟังเนี่ย ไม่ใช่คุยไม่รู้เรื่องนะแต่มันไม่ฟังเลยก็เครียดได้เหมือนกันใช่ไหมนี่คือปัญหาล่ะเพราะฉะนั้นเหตุแห่งความเครียดประการที่หนึ่งคือได้ทำงานที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถประการที่สองคืออะไรเป็นพวกสมบูรณ์แบบนิยมนักสมบูรณ์แบบนิยมก็คือคนที่ทำอะไรต้องดีที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จแล้วพอล้มเหลวก็ยิงตัวตายเนี่ยส่วนมากเป็นพวกสมบูรณ์แบบนิยมภาษาจิตวิทยาเขาเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวก perfectionist คือทำอะไรต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเก็บทุกมดถ้าเป็นทำงานเนี่ยก็มีนิสัยในลักษณะคุณแม่ละเมียดคุณย่าละไม่คุณนายละเอียดเงี้ยเก <laughs> ็บทุกมด เคี้ยวข้าวยังนับเลยเนี่ยเราเคี้ยวถูกข้าวเม็ดที่ทัวไหลกลืนข้าวลงไปเนี่ยไล่สลํารวจ ด, ดูตั้งแต่กอหอยจนถึงกระเพาะนี่คือนิสัยเก็บทุกเม็ดเป็นคนที่เครียดสูงเพราะอะไรอยากให้ทุกอย่างมันดีดังใจแต่ในโลกของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ได้เป็นไปดังใจใช่ไหมสมมติเราสั่งพิซซ่ามาอย่างเงี้ยตอนโฆษณาเขาก็อบอกว่าโอ้รับรองสิบนาทีถึง เออเขาไม่รู้ว่ารถเมย์กรุงเทพมันขนาดไหนพอไปจริงจริงชั่วโมงหนึ่งเพิ่งจะถึงเพราะอะไรต้องฝารถเส็จเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยความเครียดมันมีมากคนที่คาดหวังให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคนอย่างนี้จะทุกข์มากกว่าคนทั่วไปอันภาพรบได้อ่านประวัติของดออรพิวัตรวัฒนังกูลที่เพิ่งเสียชีวิตนะพิธีกรคนค้นค น, ค น, คนเขาเขียนสารภาพไว้แล้วมีประโยชน์มาก ดรพิวัดบอกว่าตอนที่ไปเรียนเมืองนอกตั้งเป้าไว้เลยว่าเทอมหนึ่งเรียนสี่วิชาต้องได้เอทุกวิชาแล้วกลางคืนก็ไปล้างจานจานที่แกล้างต้องสะอาดทุกใบทุกวิชาที่แกเรียนต้องได้ซีหมดดังนั้นพอแกกลับเมืองไทยงานทุกอย่างที่แกทําแกลุยเองหมดทั้งนั้นที่แกเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่แกลุยเองหมด แล้วแกก็ไม่รู้หรอว่าความเครียดมันเริ่มสะสมเพระเาะแกอยากจะให้โลกทั้งใบนี้มันหมุนตามแกจนกระทั่งวันหนึ่งไปพักผ่อนที่บ้านที่ปากช่องแต่ร่างกายมันไม่เคยพักผ่อนมาเลยอ่ะในชีวิตอ่ะมีอยู่วันหนึ่งแกหยุดยาวห้าวันร่างกายมันเคยทํา ง, งานทุกวันพอจู่ๆเจ้านายตื่นสายขึ้นมาเนี่ยแกลุกขึ้นมาแล้วหมุนคว้างล้มลงไปเลยเพราะอะไร มันเคยทำงานทุกวันพอวันหนึ่งระบบมันผิดนะระบบมันมันถูกสั่งให้หยุดพักปุ๊บมันเกิดปิดตัวเองเลยร่างกายของแกแกเพิ่งรู้ว่าผิดปกติก็วันนั้นทั้งๆที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วนะแกก็ยังใช้ชีวิตเต็มที่ต่อไปทุกอย่างต้องเอ่มดต่อมาความคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดังใจในมันสะสมเป็นความเครียด แล้วความเครียดสะสมก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งในลำไส้สังเกตไหมว่าคนรี่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงแทบทั้งนั้นแล้วงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่งบอกว่าผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกมักจะหัวไยหัวใจวายตอนวันจันทร์วันจันทร์ในตลาดหุ้นทำงานนะเห็นไหมเพราะเขาแบกความเครียด แบบความคาดหวังสูงทุกอย่างต้องดีหมดแล้วถ้ามันไม่ดีอย่างที่เราต้องการล่ะอย่างคุณแม่เลยยี้ยงลูกลูกไม่เก่งอย่างที่คุณแม่ต้องการแม่ก็เครียดเวลาเราดูใครสักคนหนึ่งสังเกตให้ดีนะเวลาเราดูใครนะมันจะตื้อที่สมองก่อนถ้าไม่เชื่อกลับออกไปหาใครสักคนเป็นเพื่อนทะเลาะเอาเลยนะทะเลาะเลยทะเลาะ แต่ถ้าทะเลาะไม่เป็นนะขอให้ย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อวานที่แม่ครับที่ไหนปากน้ำมาทะเลาะกับเทศกิจนะเห็นไหมถึงกับเอาปลาร้าราด ห, หน้าเทศกิจอ่ะไปฝึกทะเลาะกับเขาแล้วเราจะได้รู้ว่าเครียดเป็นยังไงเครียดจริงๆเราอยากให้โลกมันหมุนตามเราถ้ามันไม่หมุนเราจะสั่งสมความเครียดเหมือนน้ำหยดตรงเห็นน้าหยดทีละน้อย น้ำย้อยทีละหยดจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยๆเดี๋ยวก็หมดนะเพราะฉะนั้นความเครียดที่มันสั่งสมทีละนิดทีละนิดถ้าเราไม่ระบายในเมื่อมันออกไม่ได้มันไปไหนมันไปสั่งสมอยู่ในเม็ดเลือดสั่งสมอยู่ในลำไส้สั่งสมอยู่ในกระเพาะสั่งสมอยู่ในตับสั่งสมอยู่ในไข่ชั้นหลังสั่งสมอยู่ในต่อมน้ําเหลืองแล้วเป็นมะเร็ง มะเร็งรากของมันคือความเครียดแต่ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยยังวิจัยไปไม่ถึงเพราะความเครียดมันไม่มีรูปธรรมมันเป็นนามธรรมแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมนี้มีตัวตนไหม ม, มันมีแต่เราไม่เห็นเหมือนอากาศมีตัวตนไหมมีแต่เราไม่เห็นมันความเครียดมันก็เหมือนอากาศมันพร้อมที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบขึ้นที่ร่างกายของเราดังนั้นถ้ามันเครียดแล้วเราไม่ระ บ, บายนะ มันไม่มีที่ออกมันจะออกทางไหนมันเกาะตัวกันเป็นเซลล์มะเร็งอันตารายที่สุดะวิทยาศาสตร์จะไปไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ชัดว่าคนเราป่วยด้วยโรคสามโรคหนึ่งป่วยกายสองป่วยใจสามป่วยทางจิตวิญญาณป่วยกายก็คือป่วยกระสอบกระแสะหิวกระหายปวดหัวตัวร้อนป่วยใจก็คือป่วยด้วยโรคโลภเกินไป ใครเตือนก็ไม่ฟังเขาบอกให้ลาออกก็เอาไว้ก่อนอันเนี้ยอ็นน่ะอ่าโปรดโรคโปรดก็เป็นโรคกิเลสอย่างหนึ่งเขาบอกให้บริจาคก็หาว่าอิจฉาอย่างเงี้ยโรคหลงก็คือโรคหลงตัวเองอันตรายที่สุด ผู้รู้ท่นบอกว่าหลงตัวเลืมตายหลงกายเลยือมแก่หลงเมียลืมแม่หลงและแย่คือหลงตัวเองคุณอาท่านหลงตัวเองแล้วใครไม่ต้องสอนลําบากมากแล้วป่วยทั้งจิตวิญญาณก็คือไปสมาทานความเชื่อที่ผิดๆเข้ามาเช่นเชื่อว่าปีหน้าน้ำจะท่วมโลกแล้วเนี้ยปีนี้ไปไหนย้ายไปอยู่อีสานสองคนสามีภรรยาทําอะไรตัดไม้ไผ่ทั้งสวนเลยทําไมต่อเรือกัน ปีหน้าน้ำท่วมเรารอดกันสองคนตายใหญ่ลืมนึกไปว่าเราเรานั่งอยู่บนเรือแล้วเราจะอะไรมากินเงินนี่เห็นไหมต้องมาใช้บริการของ 1> <laughs> เ1เวนีเลเวนพราะเขาเปิด24ชั่วโมง <laughs> เห็นไหมเนี่ยป่วยทั้งจิตวิญญาณคนที่เป็นพวกสมบูรณ์แบบนี้ย่อมจะป่วยง่ายกว่าคนทุกประเภทในโลกเพราะว่าเขาอยากให้โลกหมุนรอบตัวเอง แต่ความเป็นจริงของโลกก็คือจะไม่ไปหมุนรอบใครโลกมันก็จะหมุนรอบตัวของมันเองมันจะไม่มาหมุนรอบคนคนหนึ่งถูกต้องไหมคนทุกคนที่อยู่ข้างๆเราเขามีวิถีชีวิตของเขาเองขนาดคนเป็นพ่อแม่โลกสามคนอยู่บ้านเดียวกันแม่ก็มีตู้เสื้อผ้าของตัวเองตู้หนึ่งพ่อก็มีของตัวเองตู้หนึ่งลูกก็มีของตัวเองตู้หนึ่ง สามคนพ่อแม่ลกูกนอกจากจะมีตู้เสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็ยังมีตู้เก็บของของใครของมันนอกจากมีตู้เก็บของของใครของมันแล้วใต้เตียงก็ยังมีกล่องของใครของมันในกระเป๋าสตางค์มีกันคนละกระเป๋าแต่ซอกเล็กลในกระเป๋าก็ยังมีแฟนของใครของมัน <laughs> เห็นหั้ยซ่อนไว้ เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวถ้าเราอยากให้คนทั้งโลกมาเดินตามความต้องการของเราเราทุกไหมทุกคนที่คาดหวังให้คนอื่นดีล้วนเหมือนที่เราต้องการคนนั้นจะทุกข์มากกว่าคนอื่นและมีโอกาสเป็นมะเร็งทางอารมณ์สูงมากคืออุ ป, ปนิสัยต่างๆ ท, ที่เราสัสมเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพเหมือนนักปาท่านบอกว่าจงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทําจงระวังการกระทําเพราะการทําบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะว่านิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะสุดท้ายและบุคลิคจกลาจากกาหนวดชะตากรรมของเราทั้งชีวิตเห็นไหมชะตากรรมของเราทั้งหมดมันมาจากไหนจากความคิดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากให้โลกทั้งโลกเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะสั่งสมอุ ป, ปนิสัยแห่งความเครียดเอาไว้ สุดท้ายพอไปถึงวันหนึ่งเรากลายเป็นบุคคลแห่งความเครียดดีใจไม่ได้รั้รางวัลบุคคลที่เครียดแห่งปีนะต่อไปน่าจะมีรางวัล น, นี้นะบุคคลอารมณ์ดีแห่งปีแล้วก็บุคคลที่เครียดแห่งปีน่าจะเสนอให้มีการมอบรางวัลในเพื่ออะไรเพื่อจะได้เตือนใจว่าเราไม่ควรจะใช้ชีวิตด้วยความเครียดประเทศที่รวยที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเขาจัดประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกกลายเป็นประเทศที่จนอันดับต้นๆของโลกประเทศไทยติดอันดับ32ของโลกนะที่ประชาชนมีความสุขเขาวัดช่วงวันที่9มิถุนาพอดีช่วงนั้นเรตติง้งคนไทยขึ้นถ้ามาวัดหลังจากนั้นอันดับร่วงนะไม่แน่ถ้ามาวัดช่วงเดือนเมษาลนะแน่ดูเลย แต่ประเทศสรอเมริกาที่มั่งคั่งที่สุดในโลกกลับกลายเป็นประเทศที่อยู่อันดับที่ร้อย ก, ว, กว่านะของประเทศที่มีความสุขในโลกเห็นไหมเพราะประเทศของมุ่งทํามาค้าขายแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันเครียดกันไปทั้งประเทศขนาดอย่างรถยนต์แตกนะที่นิวยอร์กนะเชื่อไหมว่าเครียดกันทั้งรัฐเลยนะคือนึกว่าถูกวางระเบิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่นู่นเขาจะกลัวกันไปหมดแล้วตอนเนี้ เขาเรียกว่าเป็นเป็นโรคบินลาเดนโฟเบียกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ทุกอยาก่างมันเพอร์เฟกทั้งหมดคุณจะทุกข์กว่าชาวบ้านชาวเมืองต้องลดนิสัยแบบนี้ลงมีพระที่เคยไปอยู่กับท่านพุทธท่านนะเป็นพระฝรั่งเป็นนักวินในใจัยเก่าแล้วเครียดมากทำอะไรต้องดีที่สุดพอไปอยู่สวนโมก็ไปเห็นพระองค์น้ยก็ไม่ดี องี้ก็ไม่ดีหลวงพ่อจเจ้าอามาสก็ดับเบิลสแตนดาร์ดบางวันนึกอยากจะเทศก็เทศจ้านะสามชั่วโมงบางวันไม่อยากเทศฉันแล้วก็ลุกหนีเลยก็ไปฟ้องท่านพุทธทาสฟ้องเสร็จแล้วก็กลับมาท่านพุทธทาสก็ไม่ว่าอะไรอย่างเนี้ยคือไปฟ้องท่านพุทธทาสเนี่ยเหมือนไปเยืนคุยกับก้อนหิ น, นสุดท้ายก็เลยมานึกได้ว่าทําไมหลวงพ่อไม่มีปฏิกิริยาเลย คิดไปคิดมาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านรู้ไหมหนังสือชื่ออะไรความว่างไปคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนเลยบอกว่าสมนําหน้าคุณน่ะไปฟ้องคนที่มีแต่ความว่างท่านจะไปตอบโต้คุณได้ไงเห็นไหมไปนินทาพเพื่อนให้ท่านพุทธทาสฟังท่านพุทธทาสไม่ตอบเพราะท่านไม่คาดหวังจะให้คนทั้งโลกต้องเป็นอย่างที่ท่านเป็น วันหนึ่งมีพระไปบอกท่านว่าหลวงพ่อครับส่วนโมกทำไมไม่มีกฎเลยนะใครอยากมาอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปท่านพูดกับท่านบอกว่าถ้าฉันไม่เขียนกฎขึ้นมาก็ต้องมีคนทำผิดกฎใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นควรเขียนไหมไม่ควรพาโร่นนั้นถามเองแล้วก็ตอบเองแล้วก็กลับไปเอง <laughs> มีวันหนึ่งก็มีคนไปฟ้องหลวงพ่อครับหนะลวงพ่อ พวกผมเนี่ยเข้าชื่อกันมาเป็นบัญชีห่างมากเนะี่ยขอให้หลวงพ่อเอาพระรูปนั้นออกจากส่วนโมกขีท่านพุทธา ก, ก็ถามว่าแล้วนึกยังไงอยากจะไล่พระรูปนั้นท่านลูกนั้นไม่ทําอะไรเลยครับหลวงพ่อคำว่ า, าไม่ทําอะไรเลยของคุณนะไหนลองเล่าซิว่าท่านใช้ชีวิตยังไงท่านรูปนั้นนะครับหลวงพ่อต้องจะตื่นมาตีสนะีนาะแกก็ไปเคาะระคังเคาะระคังกิ้งกิ้งกิ้ง คนทั้งมัดลุกมาสวนมนแต่แกไม่สวนนะแกข้อเสร็จแล้วแกก็กลับไปนอนบารก็ไม่บินสายการบินแกนยมไม่ได้เจอเลยหลวงพ่อพุทธท่านบอกไม่ทำอย่างอื่นแต่ว่ายังลุกตีระคำก็ยังมีความดีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ไล่ให้ท่านอยู่สวนโมกต่อไปเห็นไหมนี่คือวิธีบริหารความเครียดของท่านพุทธท่าม ถ้าทางวัดเครียดกับท่ารูปนี้นะแต่ท่านผู้ท่านเครียดไหมท่านไม่เครียดเพราะท่านไม่ปรารถนาจะให้โลกทั้งใบหมุนตามตัวท่านเองคนที่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจะกลายเป็นคนที่ทุกข์มากที่สุดสาเหตุของความเครียดประการต่อไปเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะมีนิสัยลิงกําทั่วลิ่งที่เขาวังเนี่ยอัตามาคายม่อไปเที่ยว่ะ ทุกๆปีเนี่ยปมาจะมีวัดปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งคือแบ่งเวลาไปเลี้ยงพ่อตอนโยมแม่อยู่เนี่ยก็ก็เรียนหนังสือไม่จบโยมแม่ชิงชิงชิงไปดูงานโลกหน้าแล้วก่อน <c oughs> ก็รู้สึกเป็นแผลในใจเหลือแต่โยมพ่อเลยให้เวลายมพ่อมาทกทุกๆปีประมาณะกลับไปหาโยมพ่อทุกวันนี้กกลับไปแทบทุกเดือนที่เชียงราย ทุกครั้งที่ไปหายมพ่อตาล่ะจะจ ะ, จะพายมพ่อเยี่ยมชมบ้านชมเมืองพาไปทานกว๋วยเตี๋ยวพาไปนั่งสามล้อดูบ้านดูเมืองตอนยมแม่ออยังอยู่นี่จะพาจะมาพายมแม่ไปซื้อผ้าถุงจนแม่ค้าเขาไม่รู้จะคิดตังค์ยังไงสงสารก็สงสารจะไม่เอาตังค์กลัวขาดทุนฉันจะคิดตังค์ก็พ้ากระตันยู่อย่างนี้ก็หาอย่าง เราเข้าไปหลังร้านไปปรึกษากับพ่อพ่อก็บอกว่าถวายได้แล้วกันให้ท่านจ่ายเป็นบุญเราก็จ่ายเป็นบุญไปนะทุกวันนี้พอเรามีชื่อเสียงโยมแกเอาไปคุยโน่ๆสมัยท่านยังไม่ดังมาซื้อมาถุงพันโยมเอารูปเอารูปเราไ่ขึ้นป้ายที่หน้าร้านขายดีขายดียดเห็นไหมทาบุญไปเท่เหลังระ เวลามันให้อานิสงมันให้อานิสงจริงๆนะใครก็ไปเข้าร้านบอกว่าท่านเคยมาสื้อกระถ u n ที่นี่ใช่ไหมโอ้แล้วโยขายดยีเจ้าเดียวเลยทุกเดือนแต่มา จ, จ, จะจะถือจะแบ่งเวลาให้พ่อในวันหนึ่งพาพ่อไปไปเยี่ยมที่เขาหวัยงยย่พ่อก็ถือถือข้าพเจนะข้าพเจาก็เรียกว่าข้าพเจอะไรต้มหรือขั้ว มันมีทั้งสองอย่างนั้นต้มทั้วดไ้กันถือแล้วคุณพ่อก็เอามือไ้หลังเอามือค่อยหลังแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปโดยเมื่อใดสะฟังนะไม่รู้ลิงมันมาจากไหนนะมันมากระโดดคว้าแล้วมันวิ่งไปเลยคุณพ่อจะมายืนแข่งเป็นตุ๊กตาเห็นเลยอาตมาถามว่าทําไมท่านตกใจแล้วพูดไม่ออกอ่ะเพราะลิงมันเอาไปลิงมันเอาไปแล้วมันทำอะไร ทำให้อัตภาพนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสิ่คืนนิทานเรื่องลิงกําถวอันนี้ลิงที่เขาวางยังไม่ร้ายนะคือมันแค่แย่งอาหารแต่ลิงที่อินเดียนั้นถ้ามันได้อะไรไปแล้วมันจะกำปีที่แล้วนะฮะพาโยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อไปรายงานพระองค์ท่านมาอยู่เมืองไทยอัตภาพทํางานอะไรอยู่เมืองไทยเนี่ยอัตมาภาพมีหนะ้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทพุทธบริษัทจํากัดมหาชนทําประชาสัมพันธ์ให้พระพุทธเจ้ามาทุกวันเนี่ย ก็ไปรายงานท่านมาสองสามปีแล้วสิ้นตีก็ไปทีหนึ่งพาด้านโยมไปกราดเราไปเมืองที่เมืองที่เมืองสิท ธ, าธาัถานนครนะสิทธัถ า, ธานนครพอรถมันวิ่งผ่านปุ๊บเขาจะเบียดแยกระดมาก็งงว่ารถก็ไม่สวนทางก็ไม่กันดานไม่มีรถคนก็ไม่มีทํำไมต้องเียดแย่ตรงนั้นเป็นป่าไม้สาระกว่าพันไร่พอไปถึงปุ๊บเขาจะเบีแป่ให้สัญญาณสักพักหนึ่งห้าทีผ่านไปทหารทหารพระราม โอ้โหออกมายืนทับสเสด็จเต็ไมไปหมดเลยคนเชื่อเจ้าเต็มไปหมดพอไปถึงมังโกเทศก็เล่าว่าเนี่ยลิงพวกเนี้ยเป็นต้นกําเนิดของนิทานเรื่องลิงกําถั่วคือลิงที่อินเดียมันเยอะแล้วคนที่อินเดียเขาขายถั่วใช่ไหมขายเป็นหลักเพราะเขาขายถั่วเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงกับถับ่วบอกว่ามีชาวสวนค น, นหนึ่งเนี่ยเขาเขาเขาปลูกถั่ว ไม่รู้เป็นถั่วชนิดไหนที่ลิงมันชอบเแล้วลิงเนี่ยมันก็ชอบมาขโมยถั่วลิงมันก็ฉลาดบ้างนะต้นถั่วมันยังไม่ส่งงอมนะลิงมันก็แค่เดินผ่านแล้วมันไม่สนใจมันรู้ว่าจังหวะไหนจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาภาษาการตลาดเขาเรียกว่ารู้จัดทำมิ่งเห็นไหรู้ว่าเมื่อไหร่คนจะเก็บเกี่ยวผลิตผลรู้ว่าเมื่อไหร่เป็นช่วงก่อนโปรโมชั่น ก่อนโดนมันใช่มันไม่สนใจอะเพราะมันยังเป็นหลอกหลอกอ่ะพอถั่วผลิตผลก็งามลิงมันก็ไปจับแล้วชาวสวนก็คิดวิธีจับลิงนั่นก็คือคิดกลับดับขึ้นมาชั้นหนึ่งให้ลิงเอามือลอดไปแล้วถั่ววางข้างหน้าถ้าลิงมันจับถั่วได้แล้วมันจะดึงมือออกเลยมือมันติดทุกทีเพราะอะไรตอนนี้มันยื่นเข้าไปทําไมมันยื่นได้เพราะมันยื่นเข้าไปอย่างนี้แต่พอมันกําถั่วได้แล้วมันก็กํำอย่างนี้มันดึงออกไม่ได้ ลิงบางตัวนี่มันดึงจนกลับดักเนี่ยเกรีดเกรดมือมันนะจนเลือดโซมมือเลยมันก็ยังไม่ปล่อยถัวนะแมันก็บอกไว้กับดักอะไรนี่ยมันเลื้อยยังไงก็ไม่ออกมาจริงๆแล้วมันดึงง่ายนี่เดี๋ยวถ้ามันปล่อยมือแล้วดึงกลับออกมานี่คือลิงกำถั่วทุกต่างตายนะพอมันกำถั่วพว๊บมันพยายามดึงเลือดไหลซิ๊บซิ๊บสัญญาณขังเรไปดังที่บ้านเจ้าของสวน เจ้าของสวนก็มาจับลิงเห็นไหลิงมรดูกจับทุกตัวไปคนจำนวนมากที่เป็นโรคเครียดอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้เพราะเป็นพวกลิงกำทัวัวเข า, ด, าเด่าได้เย็นวันเสาร์เช้าวันจันทร์ยังคิดอยู่เลยตีความไม่จบทำไมมันด่าฉันบางคนดูโทรทัศน์นางเอกให้ท่าไม่รู้จะให้ยังไง แกก็เป็นลุ้นรพระเอกพระเอกก็มีมโนธรรมสูงอยากจะเว้นพักอยู่ด้วยไม่ทําอะไรแกก็เครียดแทนพระเอกเห็นไหมไปดูข่าวการเมืองก็ไปลุ้นนะักกาเมืองอยากให้เขาพูดอย่างที่แกอยากจะพูดเพาะนะ่านักการเมืองไม่พูดเครียดแทนนักการเมืองพวกนี้พวกลิงกำดัวทั้งหมดไปเอาทุกซึ่งเป็นสิ่งสาธารณะ มากองไว้ยึดตัวเองคนเดียวเห็นไหมความทุกข์นี่มันเป็นสมบัติของสารพารานะนะถ้าเราไม่ง่มันไม่หล่นเสีงหัวหรอกถูกต้องั้มความทุกข์นี่มันจะหล่นเสียงหัวคนโง่แต่กับคนฉลาดขนาดเป็นมะเร็งจะบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งไปดูมีคนเขียนมาเยอะแยะหลวงพ่อเทียนเป็นมเร็งลำไส้หมอไปรักษานีนหมอร้องไห้เลยสงสารท่าน ถ้าถามหมอกล่ร้องห้ทําไมหมอไม่ได้ป่วยนะอาตมาเนี่ยป่วยเห็นไหมคนฉลาดขนาดความทุกข์เข้าไปฝังอยู่ในตัวยังไม่ทุกข์แต่คนโง่ความทุกข์ลอยอยู่บนฟ้าความทุกข์โลดแล่นอยู่ในทีวีความทุกข์ตีพินอยู่ในหน้าหนังสือพิมพเก็บเอาความทุกข์มาบรรจุไว้ในหัวใจของตัวเองนี่คือคนประเทลิงกำถั่วทุกข์แล้วกอดความทุกข์ไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์ ความทุกข้าเราปล่อยวางมันก็ไปเหมือนเด็คนนึงมาถามอาตมาเขาเรียนอยู่ปีสองถามว่าอาจารย์หนูนี่มันขี้เกียจจังเลยมันไม่อยากอ่านเลยหนังสือเนี่ยทํายังไงหนูจะแก้โรคขี้เกียจอาตมาก็บอกว่าง่าย น, นิดเดียวก็ขันหยันซะสิเดี <laughs> ๋ยฟังแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะ่ะมันใช่ไหม <laughs> ก็ถ้าเราขันหยันนะความขี้เกียจมันจะอยู่ได้ไหม อยู่ไม่ได้หรอกี่เลนมันทํางานทีละชุดมันเข้าไปกะใช่ไหมผู้ในเจ้าท่านพูดไว้ชัดนะกี่เลนจะอยู่ในใจเราทีละชุดนาทีที่เราโกรธเราเมตตาคนได้ไหมนาทีที่เราเมตตาโนมันอยู่ไหมมันไม่อยู่เพามื่อนอนสว่างมันอยู่ด้วยกันไหมมันก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นบุคคลประเภทลิงกําถั่วความเครียดมันจะอยู่ไหมไม่อยู่เราต้องปล่อย ปล่อยให้เป็นปล่อยให้ลงปลงให้เป็นแล้วจะเป็นสุขเหตุเหตุหความเครียดประการต่อมาเป็นพวกวิตกเจรกังวลย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำมีคนคนหนึ่งก็ไปซื้อของในเซเวอีเลฟเว่นจ่ายตังค์เล่มละเดินออกมาเอ๊ะนี่ฉันจ่ายหรื อ, อยังนะกลับเข้าไปถามเดเมื่อกี้ฉันจ่ายหรื อ, อยัง เขาก็บอกว่ายังมั้งถามใครไม่ถามเลยไม่ถามเลยสิไม่ค้าเลยรับเป็นพันไม่ทีหนึ่งทอนเงินให้เสร็จเดี๋กลับมาถามเมื่อกี้คุณทอนหรือยังแต่ตอนนี้ไม่ถ้าเม่นนะตอนที่ทอนแล้วในบอกทอนครบกลับออกไปเอ๊ะเราซื้อหรือยังกลับก็ไปถามเมื่อกี้ คุณคิดไปแล้วยังเนี่ยฉันซึ้อสบู่แล้ะไปถามบอกเอยังนะใส่เต็มตะไกรงเห็ น, นะ น, นไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตกใจนี่ยขาดทุนสองสามต่อนะเพราะฉะนั้นคนที่เคลื่อนเป็นพวอกอย้ำคิดย้ำทำเป็นเช็คไปเรียบร้อยแล้วมันนั่งคิดว่าไอ้มันดีหรือไม่ดีเนาะเขาบอกว่าไม่ดีไปตามเอาเช็คคืนเขาบอกจ่ายไปแล้วเห็นไหม เพราะฉะนั้นคนยังคิดยังทาในทุกข์หนักหนานเะอะไรคุณกําลังรีไซเคิลทุกข์ความทุกข์เวลามันเกิดขึ้นมันจบไปแล้วแต่มีคนจำนวนมากที่เอาความทุกข์ซึ่งจบไปแล้วมาทุกข์ใหม่เช่นคุณยมคนหนึ่งเคยตะกันบุที่วัดกับอาตมาแล้วอาตมาขออนุญาตเอาเรื่องของเธอมาเป็นวัตถุิเดชเธอบอกว่านูยินดีถวายวัตถุเดชเป็นฐานคือชีวิตของเธอทุกข์ ทุกๆปีเนี่ยเธอจะมีวันสามีแห่ชาติคือมีอยู่วันหนึ่งไปราชการต่างจังหวัดแล้วรถจนประสานงานกันสามีตายในหน้าที่เพราะถุงลมไม่ทำงานภรรยาแค่บาดเจ็บเพราะสามีตายในหน้าที่ทุกปีวันที่สามีตายเธอจะถือว่าเป็นวันครอบรับทําบุญแล้ววันนั้นทั้งพันจะไม่ทําอะไรน่าจะใ ส, ใส่ใส่ชุดดํา เป็นวันระลึกถึงสามีแห่งชาติพอลูกๆทานข้าวเสร็จแล้วลูกไปทำงานอยู่คนเดียวทำไงคิดถึงความหลังวันที่เกิดเหตุคิดแล้วก็บ่นคุ้นไม่น่ามาตายแล้วคิดอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่แกร้องไห้ก็แกเป็นวันร้องไห้แห่งปีนี่วันหนึ่งไปทำบุญกับตามาตามาให้พร อ, อยู่แกก็ร้องไห้ อาตมาก็เลยถามโยมจะรับไหมพรน่ยจะรับไหมถ้ารับก็จะให้ถ้าไม่พร้อมจะรับอาตมาก็จะหยุดเช่เ น, นื้อได้พรต้องให้กับคนที่ตั้งใจรับเลยใช่ไหมก็ถามว่าทําไมรับให้แกก็บอกว่าถ้าคนผู้ชายอยู่เขาควบคุมานั่งรับพรกับโยมกี่ปีมาแล้วโยม สิบสี่ปีแล้วท่านอนตมาบอกว่าโยมแยะนะ่้วทําไมท่านเด็กอายุสิบสีนี่มีแฟนใหม่แล้วคือแล้วเขาเกิดใหม่เขามีแฟนใหม่แล้วใช่ไหมโยมยังมาอุ้มทุกอยู่สิบสี่ปีอีตมาบอกว่าโยมเสียข้างโง่นะเพราะฉะนั้นกลับไปเลิกโง่นะคนเราท่าทําดีที่ตายมันเกิดทันทีเขาไม่ทุกข์กับโยมหรอโยมมาก่อดทุกทําำหม เพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีคนไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ถ้าเกิดมีคนตายเราควรจะไว้ทุกกี่วันหลวงปู่บอกว่าไปไว้มันทําให้ความทุกข์อะทิ้งซะสิทุทกข์อมันน่าเก็บไว้เนือยังไงเป็นแม่คนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นชอบไว้ทุกข์กันได้ข่าวเพื่อนตายอะไใส่เสื้อดำบางทีไม่ตายหรอกคืมอกคืมใจอยากให้มันตายก็ใส่เสื้อดํา แค่เขาดันอกเนี่ยเพราะฉะนั้นคนประเภทยังคิดจะงทาทุกข์ความทุกข์ที่จบไปแล้วเมื่อสี่ปีแกยังเก็บมาทุกข์กลายเป็นความทุกข์ที่สดใหม่อยู่ทุกวันทั้งนั้นที่ตัวความทุกข์นั้นมันไม่มีตัวตนแต่ก็ไปสร้างตัวตนให้ความทุกข์เพราะว่าวิตกกิจเรตดังนั้นใครที่เป็นโรควิตกกจริตนะวันนี้เอาทิ้งไว้ที่นี่แล้วออกไปเนี่ยให้เป็นผู้ที่เจอแทน ไม่ใช่ทิ้งวิตกเจอเด็ดไว้ที่นี่กลับออกไปเดดันไปเกาะโมหะวิตกเอโมหะวิตกนี่คือโง้และหนักกว่าเก่าเห็นไหมขนาพระพุทธเจ้ายังทิ้งเลยนะคนที่เป็นโมหะวิตกนะพระพุทธเจ้าจะไปสอนแกบอกไม่ต้องพระองค์ยังเด็กตอนนี้พองค์เสด็จออกบวชนะฉันน่ะเป็นศาสดาแล้วอันนี้คนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอน เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่โง่แต่คิดว่าตัวเองฉลาดคนนี้พุทธเจ้าก็ไม่สอนเพราะฉะนั้นนีจตกเรลียเราต้องทิ้งและต้องทิ้งให้ไกลด้วยอย่าทิ้งนี้ตกเฉลียแล้วไปอยู่กับโมห oh ะเฉลี่นอีกก็ไม่เอาประเด็นต่อไปสาเหตุของความเครียดก็คือเราเป็นโรคแบกความคาดหวังถึงแม้เราไม่อยากแบกความคาดหวังแต่ในชีวิตจริงเราอยู่กันด้วยความหวังดังนั้นทํายังไงเราจรึงจะหวังแล้วไม่ทุกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หวัง ตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปหวังเกินเหตุเกินปัจจัยหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าอย่าทําอะไรเกินความรู้ความสามารถของตัวเองถ้าเราทําอะไรเกินความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วเราจะทุกข์ตามพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวันหนึ่งมีพระราชดําริให้สร้างวัดในอุดมคติข้าราชการบริหารประชุมกันแล้วเสนอแบบแปลนสร้างวัดในอุดมคติคือวัดแบบพอเพียง คณะกรรมการเสนอวัดเกินความคาดหวังไปให้ในหลวงคือคิดงบประมาณแล้วสรต่าได้หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทยื่นให้พระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยพอไปถึงพระหัสในหลวงตอนนั้นเองพระองค์ไม่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในความฝวังชอบใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงร้อยสามสิบล้านบาทในหลวงยึบเงินสองมาขีดเลขศูนย์ทิ้งเลยเหลือติดสามล้านบาท เชื่อไหมว่าสร้างได้ไหมทุกวันนี้คือวัดพระรามเก้าสิบสามล้านบาทจากร้อยสามสิบล้านประจัดขนาดไหนทำไมพระองค์ประจัดก็เพราะพระองค์ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงไม่ได้ใช้ชีวิตตามความคาดหวังคือมันไม่มีแต่หน้าใหญ่พระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้หญิงบทตรีวิระมัยทยาล่าวันในหลวง เบิกทรงเบิกดินสอปีละสิบสองแท่งปีละสิบสองแท่งนะดินสอนะแต่ละท่งนจะใช้จนกุดถ้ากุดแล้วนี่จะใช้วิธีต่อหนะ้ามถ้าเป็นสิงบุรีก็คือแม้แต่ก้นกรองก็หยิบมาเคี้ยวเลยนั่นคือพระองค์จะใช้ชีวิตไม่จ่ายเกินนะ้าครัเพราะรองท่านตรัสว่าความหิวเป็นปากที่อ้าแล้วมันไม่ยอมหก ใส่อะไรลงไปก็หายตลอดถ้าเราดูเหตุดูปัจจัยของมันว่าอย่างนี้มันจะทาให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้จะทำให้เกิดอย่างนี้นะใช้เหตุใช้ผลในการดำรงชีวิตเราจะทุกน้อยลงเราจะทุกน้อยจากการที่เราเป็นคนมีเหตุผลแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีเหตุผลทุกมากมทุกทุกมากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสอนทำมากก็ได้ประเด็นต่อไปที่ทาให้เราเครียดก็คือ จบเป็นธาตุของความคิดสังเกตได้วันนี้หลายๆประเด็นจะโยงถึงความคิดเพราะแท้ที่จริงความเครียดไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าเคยมีพุทธดัารไว้อยคมคายมากพระองค์ตรัสว่านี่นายเจ้ากาบเอย๋ยฉันจะบอกอะไรให้ตอนนี้ฉันพบรากเงาของเธอแล้วรากเงาของกามคือความใคร่ยนี่แท้จริง ก็คือความคิดเห็นไะรางเงี้ของกามคือสิ่งที่น่าคล้ยน่าปรารถนาพุทเตเ จ, จ้าบอกว่าก็คือความคิดถ้าเราไม่คิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีที่คนดึงดูดเราไหมอย่างคำว่าราคาอย่างเงี้ยสมมติมีนาฬิการุ่นใหม่ออกมาเมื่อวานหมีนาฬิการุ่นใหม่ลงหนังคือพิมพ์แพงมากนะเรือนหนึ่งประมาณกี่ล้านอ่ะสองล้านก็มีแปดสิบล้านก็มี นาฬิกาเหล่านั้นถ้าเราไม่มีราคาคือเราไม่มีความอยากมันจะแพงั้มมันไม่แพงที่มันแพงก็เพราะว่าเรามีความอยากเพราะฉะนั้นความอยากก็เช่นเดียวกับความเครียดมันเกิดขึ้นที่ไหนที่ความคิดของเราถ้าเราบริหารจัดการความคิดได้เราทั้งหลายจะไม่เครียดดังนั้นถามว่าเราจะผ่าตัดมะเร็งคือความเครียดได้ยังไงอาจาภาพาไมาพูดถึงสาเหตุ ข, ของความเครียดแล้ว พ ร, ร้อมกันนั้นก็ได้พูดถึงวิธีแก้ไปนในตัวเสร็จสับเรียบร้อยแต่จะทิ้งท้ายไว้ประเด็นสุดท้ายก็คือวิธีผาตัดความเครียดที่ดีที่สุดนอกจากวิธีที่อาจารย์าพพูดถึงมาโดยลำํำดับประมาณหข้อแล้ววิธีที่ดีที่สุดขอแนะนำเลยคือให้สุดเจริญสติปัฏฐานสี่ใครก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่จะสามารถอยู่กับปัจจุบันเป็นแยกจิตกับความเครียดออกมาไว้เป็นคนละกองถ้าเราแยกจิตไว้ที่หนึ่งความเครียดไว้ที่หนึ่งก็ได้คนละกองมันจะไม่ใช่กองเดียวกัน ความเครียดอยู่ที่หนึ่งความคิดอยู่ที่หนึ่งมันเล่นงานเราไม่ได้ความเครียดเปรียบเสมือนหนูสติเปรียบเสมือนแมววันไหนก็ตามที่แมวอยู่บ้านหนูออกมาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงทิ้งประเด็นทิ้งท้าไว้ว่าถ้าจะพ่าตัดความเครียดให้ได้ผลที่สุดขอเจริญพรทุกท่านทุกคนหาโอากาสฝึกสติปัญหาสี่ให้ได้แล้วท่านจะพบว่าเมื่อเราไม่เครียดหัวใจก็บรรจุเต็มไปด้วยความสุข ในท้ายที่สุดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมมรราที่ชื่อพาตัดความเครียดคงจะเป็นประโยชน์สวดศีลกับท่านทั้งหลายที่สนใจฝ่ธรรมแล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมน ำ, นำเอารลกรธรรมนี้ไปปรับปรุงประยุ์ใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ